ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาพกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ต้องให้พากันแก้ไข อย่าให้เป็นการนั่งสมาธิหลับนั่งสมาธิหลับหรือนั่งสมาธิอ่อนแออย่างนั้นใช่ไม่ได้บางองค์ก็เอ็นไปจนกระทั่งพุบลงไปข้างหน้านอนหลับเหมือนกันอนในหมอนอย่างนี้แล้วไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนา การนั่งสมาธิภาวนาให้ท่ากันดูตัวอย่างพระพุทธโลกที่ท่านนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านนั่งตัวตรงไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนคนเราหรือว่าสมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ต้นไมโพนั้นไม่ใช่ท่านนั่งเป็ น, นั่งหลับ นั่งสบายท่นนั่งภาวนาจริงๆและว่าบังคับกายวาจาจิตของพระองค์ให้อยู่ในท่าสมาธิภาวนาและไม่เฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยอย่างในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้น แม้จะได้ตรัสสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ย่อหย่อนทอถอยแล้ววันนั่งตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราจะไปเข้าใจว่านั่งพอาะเป็นวิธีการแล้วอยากหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปอยากไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างนี้ไม่ถูก ที่ท่านให้นั่งขัดสมาธินั้นแสดงออกซึ่งความองอาจสาหารในทางร่างกายแล้วทางจิตทางใจก็ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงมีบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในใจรวมจิตรวมใจของตนในเข้ามาภายใน ไม่ให้อยู่ภายนอกไม่ให้ออกไปหาอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนาเป็นเวลาเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในแม้จะมีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรอยู่มากมายหลายอย่างหลายกระจายอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นอดีตอนาคตนั้นต้องเลิกละตัปดปลดปล่อยออกไปให้หมดสิน้นคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตในใจของตัวเองเวลานั่งภาวนาเอกลงจิตต่างทำจิตให้เป็นดวงเดียว เอโกปุโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกักวงวลกับเรื่องใดๆทั้งหมดให้ดูตัวอย่างพระสาวสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์ จะได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้านั่นเรียก ว, ว่าเป็นตัวอย่างอันดีเวลาท่านนั่งสมาธิภาวนากนนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชร ด, ด้วยเรียก ว, ว่าแข็งแกร่งไม่มีความย่อท้อต่อทุกขภัยต่างๆนันาน่ะไ ว, วันนั่ง เหมือนต่อไหมไม่มีความง่วงหลับง่วงนอนเหมือนพวกเราถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไปมวนั่งหลับเหมือนพวกเราที่ไหนจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจา้า สมัยที่พระองค์บำเพ็ญทานรักษาฉินภาวนาสร้างบุญบารมีมาก็ดีพระองค์ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นๆ เ, เหมือนพวกเราทั้งหลายเรียกว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆทำอะไรเมื่อมันมีความจริงในจิตในใจละ่ะอันนั้นละ สมาธิภาวนามันอยู่ที่จิตใจทำจริงๆภาวนาจริงๆมีใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดไปที่ไหนก็คิดผุนซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหลักจิตใจของตัวเองไม่มีอธิษฐานวนในจิตในใจต้องมีสัจจะ ความจริงใจมีอธิษฐานใจไว้สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยต้องให้ทำได้อย่างชั่วขณะที่เราฟังทำนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งใจเป็นพิเศษก่เลสอันใดที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในจิตในใจ ยองปล่อยวางตักให้มันขาดออกไปให้หมดสิน้นให้ทำเหมือนคนตายธรรมดาคนตายเขาไม่วุ่นวายเหมือนคนเป็นคนเป็นนั่นมันเรื่องมาความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างทุกกระบวนการป่าถนับไม่ท่วนอันนี้มันเรื่องคนเป็น คนตายเขาไม่เกี่ยวข้องผัวพันแม่ผู้โยทังหลังจะร้องให้น้ำตาไหลอย่างไรร้องขออย่างไรคนตายก็ไม่เกี่ยวมันเฉยไปหมดไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังเหมือนคนเป็น กายของเรานี้ถ้าไม่ภาวนาจริงๆมันไม่เป็นคนตายได้มันดิ้นอยู่ตามัญหาความรักใข้พอใจในลูกเสียงกลิ่นลดโพธพภะธรรมลมก็วุ่นวายอยู่ในใจมันไม่สงบมันไม่ตายทำเฉยไวเหมือนคนตายเหมือนของตาย มันจะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรสามอำนาจอิเลตลาคะโทสะโมหะแล้วเป็นอันว่าเราทุกดวงใจต้องลุกขึ้นต่อสู้ภาวนาพุทธโธในใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าหูฝังใจฟุ้งซ่าน เได้ยินใจไม่ได้ยินยางนี่ไม่ได้กายวาจาใจเวลาปฏบิบัติบูชาภาวนาต้องรวมเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันเมื่อกายนั่งขับสมาธิภาวนาใจก็ขับสมาธิภาวนาภายใน ตั้งใจลงไปให้มั่นคงการได้ยินได้ฟังเป็นการให้สติเตือนใจเท่านั้นเวลาเราจะสู้กับกิเลสในหัวใจของตัวเองนะั้นมันต้องเป็นจิตใจที่เรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่ใช่ทำเล่นๆทำเล่นก็ได้แต่เล่น ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนอกจากรักษาสินห้าสินแปดชินสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ต้องมีการนั่งสมาธิภาวนา แมันมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับลำดับบวชมาหลายปีได้แต่อายุได้แต่พรรษาสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจมันไม่ก้าวหนะ้ามันถอยหลังเข้าครองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเลือ ก, อกถึงพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายนั้นท่านภาวนาท่านมีความก้าวหน้าไปไม่ทดม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มันก้าวไปโดยลำดับลาดับความเกียจค้านท้อถอยความท้อแค่อ่อนแอในดวงจิตดวงใจ ไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าจเจริญไปดูตัวอย่างพระพุท ธ, ธิจาพระองค์ทำก้าวหน้าให้เราท่านทางหลายเห็นอย่างว่าวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาในวันเดือนหกเห็น เดือนหกแผ่นหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมายถึงความแจ้งความสว่างไม่ใช่ความมืดพระองค์ทำความแจ้งความสว่างให้ปรากฏวันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งสัตตปฏิฐานในใจของพระองค์ไม่มีใครไปบอกท่านท่านทําว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ทอดแท่ออนแอในหัวใจจะเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้าย แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือแห้งไปหรือแต่หนังหุ่มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องลุกไปมาในที่ใดๆนั่นคือว่าความสามารถอาฐารในใจของพระองค์ นีสสัจการอธิษฐานตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆถ้าหากว่าสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจไม่ได้พระองค์ยอมตายในที่นั่งนั้นไม่ใช่ว่าจะไปหลับไปไหลมัวเมาไปตึงเหมือนก่อนๆจิตใจของพระองค์เรียกว่าลุกขึ้นเต็มที่ ไม่ใช่โยในที่เก่าเรีว่าตายก็ยอมตายจะมีภัยอันตรายห้องผ่านเข้ามาก็ไม่กลัวเพราะพระองค์ได้เสียสละตายลงไปแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนาในโรคประขันมันก็เป็นธรรมดาเหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละ เพราะว่าเนือหนังมังสังของมนุษย์กระดูกเส้นเอ็นของมนุษย์เหมือนกันก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์เป็นผู้มีความอดทนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามอดทนขันติขันตินตความอดทนในใจของพระองค์ เต็มบริบูรณ์แล้วความภาคความเพียรความพยายามพระองค์ก็มีพร้อมมูลบริบูรณ์ปัญญาวิชาความรู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารท่านก็รู้เท่าทันและว่าท่านลุกขึ้นต่อสู้ในใจ ไม่เฉพาะแต่ในใจทางกายท่านก็นสู้ด้วยท่านไม่ลบลีกเลิลามมนกิเล็กขันธมานเมื่อความเจ็บปวดทุกภเวธนาบางเกิดมีขึ้นในสังขารร่างกายพระองค์ก็ไม่เข้ามายึดมาถือว่าพระองค์เป็นผู้เจ็บ้าดินเขาเจ็บช่างมัน ท่านว่าอย่างนั้นธาตุน้ำเขาเจ็ดช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข่ได้ป่วยสัง่งฮเขาเกิดตั้งอยู่อีกไม่นานเขาก็แตกดับไปสัง่งเจิตใจของพระองค์ไม่ไว้วันท่านพึงตายก็ให้ตายด้วยการหมดกิเลสลาคะโทสะโมหะ ไม่ใช่ตายเลี่ยลาดเหมือนคนเราในโลกคนเราในโลกเรียกว่าตายเลี่ยตายลาดตายทับถาจากของรักของชอบใจวุ่นวายไม่มีจิตใจอันทองใสสะอาดเพราะไม่ภาวนาทำความเพียรละจีเลสในจิตในใจเหมือนสัพพุท ธ, ธเจ้าเหตนั้นการนั่งสมาธิภาวนา เราท่านทั้งหลายให้พากันลำเลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองขึ้นมาอย่าไปเพียงกะ ว, ว่าทำอะไรก็ทำได้แดบบุลลมบุราณเท่านั้นพอเป็นพิธีการปล่อยปากละเลยขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิจิตตั้งมั่คขาดปัญญา ความเฉลียวฉลาดความสามารถในจิตในใจยอมไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาจะได้ตรั ส, สรู้นั้นเรียว่าแข็งแกร่งทุกอย่างทานพระองค์ก็บำเพ็ญมา ได้สูงสุดเต็มที่ศีลพระองค์ก็บำเพ็ญมาในคั ม, มะรมีรบารมีเว้นจากกามเว้นจากผู้ครองเรือนพระองค์ก็เป็นบำเพ็ญมาแข็งแกร่งที่สุดไม่มีกระแสจิตอันใดที่จะแส่สายไปหากามมาคุณกามมาตีเล็กอีก แลรวันเนกขัมมะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจจริงๆทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยเรวันเนกขัมมะออกไม่เข้าไปหาใครมมสมาธิตั้งมั่นลงไปในใจและพระองค์บำเพ็ญปัญญาเรียกว่าความฉลาด ความเฉลียวความฉลาดความสามารถอาจหาเป็นจิตใจอันแหลมคมทะลุปูกป่งทุกอย่างทุกเระการท่นานไม่ยอมให้สิ่งใดมาพ้องผ่านให้จิตใจลหลงไหลต่อไปได้อีกถ้าเกลียบเหมือนแหลมก็เรียว่าเหมือนเข็มเย็ดผ้าจะเป็นเข็มจับเข็มเย็ดมือก็าตาม แทงทะลุไปได้ในผ้าชั้นใดกิเลสในใจของพระองค์พระองค์แทงทะลุได้หมดไม่ยอมให้มันลหลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าปัญญาความสอดส่องทุกอย่างทุกประกางไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นในใจเจตใจของพระองค์ มีความแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจริงๆเร <c oughs> นี่ความภาคความเพียรความพยายามท่านก็ไม่ทอแท่อ่อนแอในดวงใจแล้วว่าตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้นภาวานาอย่างไรท่านก็เอาจริงอย่างนั้น เมื่อเลือกคำภาวนาอนาปานุสติกรรมฐานได้แล้วพระองค์มั่นใจทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้โยในดวงใจว่าลมผ่านเข้าไปยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดตามรู้โยในที่นั้นลมออกมายาวสั้นหยาบละเอียดตามรู้โยในดวงจิตดวงใจ ไม่ใช่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายน้ำใจของประพุทธิจาแนวโยที่อนาปาลมหายใจจนกระทั่งจิตใจที่ลั่วไหลไปอย่างก่อนก่อนไม่มีดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนพระองค์ก็ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้น จนเห็นแจ้งชัดอยู่ในจุดจิตใจของพระองค์ว่านอกจากจิตใจดวงที่รูอยู่นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมูวไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดจิ์ของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผองใส สะอาดตาใสจากจิเล่เรียว่านั่งใจเบากายเบาไม่ใช่นั่งหนักนั่งเบานั่งสบายทุกขเวทนาสุกขเวทนาเฉยเฉยเวทนาเข้ามาคุกคามจิตใจของกระองไม่ได้จิตใจของกระองเรียกว่าสูงสง่งสาม า, ารถาน มีความอดความทนมีความสัตว์ความจริงมีศัตด์กาอธิษฐานมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในจิตใจของพระองค์จริงๆอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านม้วนลงไปว่าโลกนามกายใจนี่ก็ตาม โลกนอกคนสัตว์วัตถุธาทั้งหลายในโลกก็ตามมันไม่เหลือหลักสามประการคืออนิจจังอนิจจาความไม่เที่ยงทั้งหมดนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งภายในทุกขังสิ่งที่มนุษย์โยอาศัยดิ้นรนวุ่นวายอยู่ไม่นอกไปจากความทุกข์ มันเรื่องความทุกข์ทั้งเพเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นยินดียินไลยอะไรทุกอย่างมันเรื่องทุก์ท่านไม่ลหลงไหลไปกับอารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ทำแจ้งในอกในใจอยู่แล้วว่าแจ้งใจไม่ใช่แจ้งลืมตาไม่ใช่แจ้งดวงพระพิจิต ไม่ใช่แจ้งดวงไฟฟ้าไม่ใช่แจ้งดวงไฟใจมันแจ้งใจมันแจ้งชัดว่ามีรูปนามกายใจตัวตนสัตบุคคลอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความทุกอย่างนี้อย่างนี้เห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้ เจิยจะได้มาหลงไหลานามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่คนอื่นมาตั้งให้เป็นจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ดวงจิตดวงใจของพระองค์ก็มั่นคงหนักแน่ แน่ว่าเหมือนพื้นแผ่นดินดูพื้นแผ่นดินที่เรานั่งภาวนาอยู่สิใครจะนั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตามแผ่นดินก็ตั้งมั่นอยู่นามพระทัยใจพระพุทิจาแม้ความตั้งมั่นอยู่ในสมถะกรรมาฐานวิปัชนากกรรมาฐาน จึงสามารถอาหารตัดบวงหวงอลัยที่เล็ตันหามานะทิชิีอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์เก่าแก่เหล่านั้นหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นไม่มีอลัยเสียดายตายอยางใครจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป ใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิดคนหลงใครจะตายก็เป็นเรื่องของคนตายจิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวันท่านพึงไปตามคนสัตว์วัตถุธาทั้งหลายเรื่อว่าพระองค์ตัดได้ขาดมีจิตสามารถอถาถรรจริงๆแฉ่นั้นเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออก ยาได้มัวเมาประมาทมรณงเมภาวิสติเราต้องตายเราต้องตายภายในร่อยจีไม่มีบุคคลใดจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ตายไม่มีเราเกิดมาอย่างนี้แหละชลาพยาธิมันติดตามอยู่ตลอดกาล เมื่อชาลาความแก่พยาดความเจ็บไข้มาเตือนเราท่านทั้งหลายเป็นข่าวๆอยู่มรนังเมพาวิสติเราต้องตายนั้นมันเป็นความแน่นอนไม่มีใครจะผัดวันประกันพุ่งได้บางคนก็ล่องขอจากพยาเมจุลาคือความตาย ว่าข้าพรเจ้ายัางเด็กอยู่ยังไม่อยากตายขอไว้อย่าให้ตายมันได้ที่ไหนเด็กเดกเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีตายเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้ามันร้องขอได้มันก็คงไม่มีตายมีมันร้องขอไม่ได้มันจึงตาย ตายเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นตายอย่างเดียวเมื่อคนอื่นตายได้ตัวเราก็ตายได้เหมือนกันมรณังเมพาวิสติเลิกให้ได้เจริญให้ได้เพราะว่ากรรมฐานข้อนี้นั้นผู้ใดเจริญจนทราบซึ้งตึงใจในหัวใจ ผรู้อ น, นันต์เต็มไปด้วยมรณะกรรมฐานจิตใจดวงนั้นจะมีความสลดสังเวชในความตายนั้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกไม่มนใครเหลือความตายไปแล้จิตใจของผู้ภาวนามรณะกรรมฐานก็จะมีความสงบสงบตั้งมั่นจริง เพราะความตายมันไม่ได้เลือกหนะ้าไม่เลือกว่านว่าคนนั้นจะมียศมีอย่างมีชื่อมีเสียงมีศีลมีธรรมกรรมฐานอย่างไรต็ตามแม้องค์พระบ ร, รมศาสดาาจารย์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า <c oughs> ก็ยังไม่ยกเว้น เมื่ออายุได้แปสิบบริบูรณ์มรณะกรรมฐานก็ยกเว้นไม่ได้แล้วแล้วจะมายกให้พวกเราพ้นจากความตายนั้นได้ที่ไหนเราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาไว้ก่อนนั่งก็ตั้งใจภาวนายืนก็ตั้งใจภาวนาเดินโยก็ตั้งใจภาวนา แม้จะไปรถไปราที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาอยู่ยิงเวลาไปรถไปลาให้เข้าใจวันนั่นเลยใกล้ที่สุดถ่าท่าลดความลดชนกันเขา้ามรณะกรรมฐานมันไม่จะไม่ใช่คำพูดแหละมันจะแหลกลานไป ถ้าคนเคยไปเห็นที่เขาเกิดอุปผะวะเหตุมันจะไม่ใช่คำพูดแต่ละศีรษะมันจะคอมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งแขนมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งขามันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งตัวบั้นเอวมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่ง มันไม่ใช่จะหัวเลาะเฟิอเฟือนได้แล้วนี่แหละเราทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าวันคืนเดือนปีปีนั้นปีนี้เป็นอายุของเรารอบปีก็ได้ปีอันนั้นวันคืนเดือนปีนะับเอาทลายก็ได้แต่อายุชีวิตจริงๆน่ะ มันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้ถ้าลองลมหายใจจบลงไปหายใจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายนั่นสินี่แหละานว่ามาลานังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อเราตายได้คนอื่นผู้อื่นก็ตายได้เหมือนกันพ่อแม่ปู่ย่าตาพวดของเรา สามีภรรยาลูกเก่าหล้ำเหลียก็ตายได้เหมือนกันเมื่อความตายเช่นนั้นเข้ามาถึงตัวเราใจเราใจเราจะเป็นอย่างไรก็วันไหวสิเพราะไม่ตั้งใจภาวานาเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ลงไปก็จะมาล่องคางให้ ความตายก็ยังไม่สมควรเลยยังเด็กอยู่ทำไมมาตายก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวผู้ใด ย, ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างขณะ น, นี้เวลานี้เป็นสิทธิของเราที่จะต้องภาวนา บริกรรมทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อเราจดจำอะไรไม่ได้ก็พุโทโธคุณพระพุทธเจ้า ร, รมโมคุณพระธรรมสังโฆ ค, คุณพระอริยสงฆ์เนิกใดขอด้อใดสิ่งใดก็น้อมเนิกลำาลึกขึ้นมาในจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลา กลางวันก็มาได้ตลอดเวลากลางคืนก็ให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงตัดไล่แล้ววะเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทผู้ใดประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่เจริญ ผู้ไม่ประมาทนั้นท่านว่านึกได้ภาวนานได้รวมจิตใจนี้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกยังมีลมเข้าออกอยู่ใจก็มั่นคงลงไปในสมัยครั้งพุทธตาพุทธสาวกแรกก็เรียก ว, ว่าพระองค์โปรดปันจาวกีือสีทังห้า ให้ภาวนาทำความจีนและสีเลจนพระัญญาโกณนนัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพิคลเป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในพุทธศาสนานั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจใจท่านตั้งใจไม่นอนเมื่อใจใครไม่ตั้งใจนอนกายมันก็นอน มันก็หลับไปตามความหลงอันนั้นต้องายก็ไม่ให้หลับตื่นโย่ใจก็ไม่ให้หลับไม่ให้หลงรู้สึกสํานึกโยในใจนี้ตลอดกาลความสามเมื่ออาจถามในใจก็ให้มีโยทุกเวลาเวลาเล่นไม่ให้มีเวลาหัวลกเลาะเคิ้เพลินไม่ให้มี มีแต่เวลาภาวนาะตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้เหมือนผีหลอกธรรมดาผีหลอกมันหลอกลวงให้จิตใจคนเราหลงกิเลสราคะเนี่ยมันผีหลอกกิเลสโทสะมันผีหลอก กิเลสโมหะมันผีหลอกผีหลอกไม่ให้ภาวนา น, นั้นยามาหลงไหลอยู่แค่ผีหลอกตั้งใจให้มั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปมัวผัดวันประกันพรุ่งภาวนาลงไปในดวงจิตดวงใจ ผู้รูเห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้เต็มที่เต็มฐานให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวสันสะเทือนเดี๋ยวมีสติอยู่ในดวงใจมีสติเต็มที่แล้วลึกได้โยทุกเวลา เมื่อมีสติระลึกได้โยทีไหนสมาธิก็ตั้งมันลงไปได้ในที่นั้นปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั้นญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ่งไปก็เกิดขึ้นที่จิตที่ไก่นี้ทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่น ที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ว่าใจคนเรานี้เองเมื่อกายวาจาใจจิตใจเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งทำอะไรในขณะนี้เวลานี้นี่แหละสมาธิก็ตั้งลงไปที่ตรงนี้ความตั้งอกตั้งใจอันนี้แ่ะให้มีความหนักแน่นมั่นคง อย่าได้มีความย่อท่อต่อข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอันใดที่เซ็นไปเพื่อละอีเลสลาคะโทสะโมหะก็ให้เรียบทำเรีกบปฏิบัติอย่าไปรอคนนั่นอย่าไปรอคนนี้ตัวใครตัวมันเวลาเกิดมาไปรอพร้อมใคร เวลาแกสารามไปรอพร้อขัรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปรอไขรเวลาตายรอใครได้ไม่มีใครรอนะเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็จำเป็นต้องตายไปจะมีความห่วงความอะไรอย่างไรความตายไม่ได้ยกเว้น ไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคฤรือหัดและหนักบวตไม่ได้ยกไหวาทางนั้นตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกอันผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงเป็นผู้สามารถอ่าน ในดวงจิตดวงใจของตนของตนอยู่เสมอไม่ต้องผัดวันเวลาเอาเวลาปัจจุบันเป็นการปฏิบัติถ้ารวมจิตรวมใจของตนลงไปในหลักปัจจุบันแล้วย่อมมีเวลาทำอะไรมีเวลาทำทั้งนั้น ภาวนาบทใดขอด้อใดก็ย่อมมีเวลาทางนั้นไม่สงบไม่มีไม่สงบมันจะไปอยู่ที่ไหนหัวใจมันอยู่ในร่างกายของเรานี้ใจมันอยู่ภายในนี้เราตั้งใจบริกรรมภาวนารวบรวมกําลังกายกําลังวาจากาลังจิตกําลังใจ กำลังศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นลงไปที่กายวาจาจิตของเราเนี้เองก็ย่ยอมเข้าใจในธรรมปฏิบัติมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรก็ไม่ไปยึดถือเจ็บอะไรมันไม่ถึงตายมันไปถึงแค่ตายหนึ่งมันไม่เลยตายไปได้ จะไปหวั่นไหวทำไมหวั่นไหวแล้วมันได้อะไรเจ็บข้าก็ไม่หวั่นไหวตายข้าก็ไม่หวั่นไหวเมื่อตายไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีอะไรที่จะเหนื้อนั่นไปได้คนเหล่านั้นคือว่าความอดทนความตั้งใจไม่มั่นคงพอ ยังไม่ถึงตายมันก็บนว่าตายแล้วตายแล้วคือว่าใจมันกลัวตายกลัวแล้วมันไม่ตายเลยคนตัวตายแล้วมันไม่ตายเลยความตายมันเป็นหลักกรรมฐานที่จะต้องรู้ภายในที่จะต้องเห็นแจ้งปัิจัติั้งจำเพาะจิตของตัวเอง อะไรมันตายอะไรมันเหลือต่างธาตุดินมันตายธาตุน้ํามันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายใจมันไม่ตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏสงสารวุ่นวายอยู่ในกามะพบลูกะพบลูกะพบวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะ จิตมันจะไปตายยางไงจิตมันไม่ตายเมื่อจิตไม่ตายเราจะไปกลัวมันทํำไมนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันเต็นที่ร่างกายสังขารมันเป็นเพียงโลกประขัรมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นเจริญวัยใหญ่โตมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานมันก็ชำรุดชุดโทมไปตามสังขารนั้นๆผลที่สุดโลกประขันนี้มันเกิดมาจากผืนแผ่นดินเวลามันตายก็ทับถมแผ่นดิน เทาไฟก็เป็นเท้าเป็นฐานเป็นแผ่นดินฝังดินก็ถมแผ่นดินอยู่ในนี้เจตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนายาได้มาตัววาดสะนุ่งต่อมานสังขารมันโกหกพกลมมันหลอกลวง มันทำให้คิดใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาขณะนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญของนักปฏิบัติธรรมะไม่มีใครที่จะไปช่วยบุคคลผู้อื่นได้ด้วยการตัวเองไม่ภาวนาไม่ได้ แนา ว, ว่าตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองอตตาหิอตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนตนบำเพ็ญภาวนาตนนั่งกรรมฐานภาวนาตนบริกรรมภาวนาตนต้องกำหนดอสุภกรรมฐานายร่างกายสังขารจนเห็นแจ้งแทงตลอด ต้องตัองกำหนดได้ซึ่งมรณะกรรมฐานแจมแจ้งชัดเจนภายในจิตใจนี้อยู่จึงจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยกิเลสลาคะมันกระทบมากิเลสโทสะกระทบมากิเลสโมหะกระทบมาจิตจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือน ไม่มีความสะทกสะทานยั่งกลัวต่อภัยอันตรายเหล่านี้คือภาวนาให้มันข้ามไปพ้นไปแล้วไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดความสกความทุกข์อันปรากฏการอยู่ในกายวาจาจิตนี้เมื่อจิตใจไม่มายึดมั่นถือมาน ไม่สำคัญไม่หลงไหลมีความเพียรเป็นเบื้องหน้ามีความมุ่งมั่นปั้นหัวใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนนั่งเวลานั่งก็ภาวนาปฏิบัติบูชามีจิตใจเข้มข้นอยู่ตลอดการเวลายืนยืนภาวนาพิจรารณาธรรมกรรมฐาน รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอยู่เวลาเดินจมกลมเวลาเดินเวลาไปเวลามาอย่างไรก็ตามจ็ตใจพูดตั้งมั่นในสมาธิภาวนาที่จะไม่มีวันทั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาเป็นจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในตัวในใจของตัวเอง นั่งใจก็สบายนอนใจก็สบายยืนใจก็สบายเดินไปไหนมาไหนจิตใจก็สแสดงความสบายสแสดงความองอาจสาหารให้ต้องรอวันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันเป็นสมมติหนึ่ผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทาใจให้สงบตั้งมั่นภาวนาพุทโธให้มั่นคงในใจ เตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็พุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียเวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้ภาวนาอยู่ในจิตในใจเอาจนจิตใจดวงนี้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติความลังเลสงสัยก็หายไปจิตใจก็จะก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสาร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 ยะถ า, าวะลิกวะาหาปูลา a ลิปปุเรติสังขละเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังลุปกะปะติอิชิตังปะติตังตุมังจิตเมวะสมิตตุสัพเทปูเรนตุสังกปาจันโทพนาาโันณไลโสยะถ า, ามานิโชติระโสยะถ า, าสปิฏิโยวิวัตฉันโต กัพาโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายยโกภวะภิวาธนาสีริสนิจังวุ ธ, ธาปจาริโนจ ต, ตาโรโธรรมาวะชันติอายุวันโนสุ ข, ขังพาลัง